เมียเผ า, าก็ไปอีกแล้วเพื่อนบ้านผู้หลักผู้ใหญ่อายุเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเมาเนี่ยปูกของเกียรติเนี่ยไปเมื่อตอนคำคำเนี่ ย, ยาาเมียเพาไปแล้วอายุเก้าสิบเอ็ด พวกเราก็เดินทางเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปออใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปพวกเราทั้งหลายถูกเวรถูกภัยเบียดเบียนชีวิตเราทุกระยะทุกเวลาชาติภัยก็เบียดเบียนยาธิภัยก็เบียดเบียน ชาติภัยก็เบียดเบียนญาธิภัยก็เบียดเบียนชราธิภัยก็เบียดเบียนมรณะภัยก็เบียดเบียนเบียดเบียนอยู่เรื่อยเรื่องของร่างกายนั้นเป็นเรื่องของสังขารเมื่อเขาปรุงมาแล้วมันก็ต้องถูกสิ่งเหล่านี้เบียดเบียน เขาอยู่อย่างมีอายุไขัยประกอบกันแล้วอยู่ร่วมกันเดินทางไปด้วยกันสักพักหนึ่งระยะหนึ่งก็ต้องแยกกันในระหว่างที่เดินทางด้วยกันสังขารที่ประกอบกันแล้วเนี่ยในระหว่างที่เดินทางด้วยกันก็ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงยักย้ายผันแปรตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเรยเราดูวัยของเรามันไม่คงที่ ยังแต่ออกจากท้องแม่มาขยับมาเรื่อยขยายมาเรื่อยขยายมาเรื่อยขยายมาเรื่อยแก่มาเรื่อยแก่มาเรื่อยเป็นเด็กเป็นทารกเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นกลางคนเริ่มแก่อายุหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีนะยังมากก็ร้อยปีแล้วก็ไปแล้วเราจากกันไปแล้วในระหว่างที่ยังไม่ไป ความแก่ก็เบียดเบียนความเจ็บก็เบียดเบียนในระหว่างที่ยังไม่ตายความเกิดเบียดเบียนมาแล้วเนื่องจากเป็นความเกิดนั่นมีกิเลสเป็นผลิตผลทําให้เราเกิดกิเลสทําให้เราเกิดกิเลสทําให้เรามีภพทําเมื่อเรามีภพแล้วเราจะต้องไปเกิดในภพ พบคือที่เกิดจิตเรามีกิเลสกิเลสสร้างพบคําว่าพบคือที่เกิดคำว่าคำว่าที่เกิดคือที่ที่จิตมันไปแสดงตัวปรากฏไปปรากฏที่ไหนก็คือเกิดที่นั่นไปปรากฏที่ไหนก็คือเกิดที่นั่นถ้าเราพูดถึงเฉพาะจิตเนี่ยจิตเราไปปรากฏที่ไหนก็ถือว่าไปเกิดที่นั่น จิตไปปรากฏที่ไหนก็ถือว่าไปเกิดที่นั่นแต่ถ้าจิตประกอบไปด้วยรูปมาไปเกิดที่ไหนก็ถือว่าไปปฏิสนธิและไปเกิดที่นั่นประกอบไปด้วยรูปและประกอบไปด้วยนามเกิดด้วยอํานาจของกิเลสจิตมีกิเลสจิตมีอุปาทานจิตมีพพจิตจะต้องไปเกิดในภพในภพในภูมิต่างๆเหล่านั้นภพชาติที่อยู่ในถ้ำกลางก็คือภพอชาติที่เป็นมนุษย์อยู่ในภพ ชาติที่อยู่ในถ้ากลางเราพร้อมที่จะเดินไปหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้เลี้ยวซ้ายแลขวาได้ทั้งหมดอพร้อมที่จะสร้างกรรมที่ดิบที่ดีให้ก้าวหน้าพร้อมที่จะยืนอยู่กับที่ก็ได้พร้อมที่จะถอยหลังก็ได้อหาอะไรได้ทั้งหมดในพบชาติที่เป็นมนุษย์เนี่ยเพราะเป็นภพบชาติที่เราทําเหตุได้อย่างเต็มที่เป็นพบชาติที่เราทําเหตุได้อย่างเต็มที่ ไม่เหมือนภพชาติของเทวดาพวกเทวดานั้นเขาไปเสวยเสวยบุญเขาไปเสวยวิบากกรรมในภพชาติที่เป็นมนุษย์เราเนี่ยเราก็หมายเสวยวิบากกรรมเช่นเดียวกันแต่มันเป็นภพชาติที่เราทําอะไรเพิ่มเติมได้จากปุถุชนนี่ทําให้เป็นกัลยาณชนก็ได้ทําให้เป็นอริยชนก็ได้ทําให้กิเลสเบาบางไปจากจิตใจ เป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระนาคาพระอาหารหันต์ก็ได้ในอัตภาพความเป็นมนุษย์แต่บนสวรรค์นั้นโอกาสที่เราจะทำแบบนั้ น, นยากมากโอกาสที่จะมีผู้มีบุญไปโปรดก็ยากมากแต่พวกเทวดานั่นแหละเขาหูทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์เขาได้ยินได้ฟังมีของดบของดีวิเศษวิโสเกิดขึ้นที่ไห น, นเขาจะรู้จักก่อนเรา เขาจะรู้จักก่อนเราเหมือนอย่างสมัยพระพุทธเจา้ายังทรงพระชนอยู่พวกเทวบุตรเทวดามาฟังเทศของพระพุทธเจา้าบรรลุธรรมไปเป็นโกรธโกรธไม่ใช่เป็นเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นโกรธหนึ่งโกรธก็สิบล้านบรรลุธรรมเป็นโกรธโกรธเทวดานะเข้าถึงสรณคมเป็นโกรธโกรธ เข้าถึงธรรมเป็นโกรธโกรธเทวดาจํานวนมากมาฟังเทศได้บรรลุธรรมโอกาสที่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติอย่างทุกวันนี้พระพุทธเจ้าไม่มาอุบัติถ้ามีพระอริยะเจ้าพระอริยะสงฆ์อยู่ที่ไหนเทวดาก็มีโอกาสได้ไปได้ไปฟังเทศได้ไปฟังธรรมเหมือนอย่างสมัยหลวงปู่หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยมีเทวดาบุตรเทวดาไปฟังเทศของท่านเป็นประจํา อยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งทั่วประเทศไทยมีเทวดาไปฟังเทศท่านเป็นไปจำ้ำลูกผู่มั่นกลางคืนก็ต้องทํางานคือเทศให้กับพวกเทพฟังเทพพวกไหนชอบมาเวลาไหนพวกไหนชอบมาเวลาไหนถ้าใครได้อ่านประวัติลูกปู้มั่นเราจะทราบว่าลูกปู้มั่นท่านก็โปรดพวกเทวดาได้ท่านอยู่ในป่าในเขาในถ้าในเหวลึกๆนี่ท่านโปรดพวกเทวดาได้เขาก็ยังมีโอกาสนะ เนว่าแต่เขาไปเสวยสุขอย่างเดียวไม่มีโอกาสที่จะแสวงผลประโยชน์ผลกําไรแต่ที่ที่จริงแล้วพบชาติที่จํากัดที่สุดสร้างสร้า ง, งวิบากกรรมเพิ่มเติมอะไรอีกไม่ได้ก็คือพวกไปเกิดในอวัยไปเกิ ด, ป เ, ดเป็นสัเดรชานในพวกสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ร่วมโลกกับเรานี่เราก็ดูพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาพัฒนาไปอย่างเชื่องชา้า มี จ, จิตใจมีความนึกคิดมีความต้องการมีอะไรเหมือนเราหมดทุกอย่างแต่การพัฒนาไปช้ามากพวกสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นภพชาติที่อาภัพออาภัพคําว่าอาภัพแปล ว, ว่าไม่ควรไม่ควรที่จะรู้ทำไม้ควรที่จะมรุธรร่อสรุทำแม้แต่พญานาคเนี่ยเป็นสเสด็จฉันอยากได้บวชอยากบวชในพระพุทธศาสนาแปลงกายมาบวชนะ พอเปลง่กายมาบวชเสร็จแล้วเวลาหมดเจตนาหมดความจงใจมันกลายเป็นพญานาคนอนเต็มห้องอพิสูจน์ทั้งหลายเห็นทราบเข้ารกราบทูลพระติจ้าพระองทรงตำหนิตอนหลังมาพญานาค ก, ก็เลยขอพรให้ให้เป็นนาคซะก่อนบุคคลที่จะบวชเป็นเป็นพระเนี่ยขอให้เป็นเป็นนาคซะก่อนเนี่ยเพราะนาคนาคยากบวชแล้วก็บวชไม่ได้ทําไมถึงบวชไม่ได้เพราะเป็นสัตว์เป็น เป็นอภพพระสัตวเป็นอภพพอ่าเป็นอภพพระสัตวอภพพระแอภพพแปลว่าไม่ควรมีนไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นอบายนะอยู่ในภพในภูมิที่เป็นท้าเรียกว่าอบายอบายอภัยะอภัยะหาความเจริญไม่ได้ไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเป็นพวกสัตว์นรกทั้งหลายทั้งปวงมีเป็นจํานวนมากมายมหาศาล แม้แต่พวกสัตว์ดิบชาญเนี่ยเขมีมากมายมหาศาลเราก็ดูที่ปลาในทะเลอ่ามีปลาอะไรตัว อ, อะไรบ้างเต็มทะเลน่ะสัตว์บกสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เต็มไปหมดพวกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงชีวิตมนุษย์เรากับชีวิตสัตว์นี่ก็ถ่ายเทกันไปถ่ายเทกันมาอ่าตราบใดพบใดการใดคราวใดจิตใจเราตกต่ําสร้างเวรสร้างภัยสร้างกรรมให้กับตัวเองมากๆตาย ไ, ไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ดิบฉาน อยากมากไปกว่า น, นั้นอไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายอาหาอยู่หากินทุกข์ยากลําบากอย่างที่ท่นานว่าเปรตมีปากเท่ารูเข็มอืมีความอยากอยากเท่าไหรกินเท่าไหรก็ไม่อิ่มกินเท่าไหรก็ไม่อิ่มพวกเปรตชนิดที่ดีที่สุดประเภทปรทัตตูปชีวีเปรตเปรตพวกที่เลี้ยงชีวิตได้ด้วยทานของญาติ ทำบุญทำบุญและอุทิศไปให้เหมือนอย่างเปรตของพระยาพิพิสารเปรตชนิดหนึ่งอีกแต่เปรตอีกลหลายๆอย่างพวกรับผลบุญที่เราอุทิศไปให้ไม่ได้ก็มีที่รับได้ก็มีการทําบุญอุทิศไปนั้นพวกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเปรตอสูรกายทั้งหลายทั้งปวงรับได้ก็ตามรับไม่ได้ก็ตามเราก็อุทิศไป เพราะการที่เราอุทิศไปนั้นเป็นเหตุให้เราได้บุญอีกต่อหนึ่งท่าเรียกว่าปฏิฐานะไม่บุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญถ้าใครอยู่ในโอกาสที่จะมารับได้มานุมโมทนาเมื่อมานุมโมทนาก็คือมาน้อมรับเอาบุญเหมือนอย่างเปรตพระเจา้าพิมพิสารมา น, มน้อมรับเอาบุญพอน้อมรับเอาบุญแล้วผลบุญเข้าสู่จิตใจเปลี่ยนพพเปลี่ยนภูมิทันทีเปลี่ยนจาก ความเป็นเปรตก็ไปเป็นเทวบุตรเทวดามีเครื่องนุ่ง ม, มีเครื่องหม่มมีอะไรต่ออะไรมีของอยู่เป็นของทิพย์ไม่อดอยากเหมือนสมัยที่เป็นเปรตสมัยที่อดอยากเป็นเปรตน่ยจนมาแสดงตัวให้ปรากฏกับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเคยเป็นญาติทําบุญถวายวัดพระเวรวันกับพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้อุทิศส่วนบุญให้กับญาติทั้งหลายเหล่านั้น เป็นเปรตเน่ยเปรตทั้งหลายเหล่านั้นก็นมาแสดงตนให้ปรากฏเป็นที่น่ากลัวก็ไปเฝ้าพระศาสดาพระองค์ก็ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนญาติของพระองค์เองให้พระองค์ทําบุญและอุทิศส่วนอุนสนส่วนบุญไปให้เขาตอนหลังมาทําบุญและอุทิศส่วนบุญไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นคอยอุบอนโมทนาส่วนบุญอยู่แล้ว เข า, าอนุโมทนาอนุโมทนาก็คือน้อมใจรับเอาเปิดใจรับเอาเปิดฟารมภาชนะรับเอารองรับเอาบุญจากญาติที่อุทิศไปให้เสร็จแล้วก็บุญต่างๆเหล่านั้นนะ่ะเข้าสู่จิตใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนสภาพภพชาติทันทีจากภพชาติที่ยาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเนี่ยไปเป็นเทวบุตรเทวดาแสดงตนให้ปรากฏ มีร่างกายอ้วนผีผิวผ่องมีอาพรเครื่องประดับเป็นภพภูมิของเทวดาแล้วนี่การทำบุญอุทิศ ส, ส่วนบุญไปให้มีผลมีอนิสงส์อย่างนี้ตามมากไปกว่านั้นไปเป็นโนนเป็นสัตว์นรกนุนนรกเลือกที่สุดก น, นุนอเวจีมหานรกอันนี้คือภพภูมิของมนุษย์ของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นในอาบายไม่ว่าจะเป็นในมนุษยโลกไม่ว่าจะเป็นในเทวดาชั้นอินชั้นพลม ดวงวิญญาณของสัตว์ของคนของสัตว์เนี่ยสับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันมาสิ่งเหล่านี้ผูกเราอยู่ในโลกทําให้เรามีอยู่ในโลกนี่แหละความเกิดเป็นภัยที่ท่านเรียกว่าชาติภยัยชาติภยัยชาติภาิภัยเพราะการเกิดเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเวรเป็นภยัยเกิดขึ้นมามีพพแล้วก็ต้องไปเกิดในภพเพราะเกิดภพไหนชาติใดก็ตามแต่ความทุกข์ก็ตามมาด้วย ไปเกิดเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยความทุกข์ก็ตามมาด้วยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ความทุกข์ทั้งหลายก็ตามมาด้วยไปเกิดเป็นเทวดาความทุกข์ก็ตามไปด้วยชั้นอินชั้นพรหมแม้แต่พรหมชั้นสุทาวาสความทุกข์ก็ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตำหนิพบจึงทรงตำหนิชาติการเกิดของของสัตว์ทั้งหลายท่านเปรียบเส ม, มือนคูดเหมือนคูดคูดคืออุจจาระนั่นแหละแม้จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย มีกลิ่นพึงรังเกียจท่านว่างั้นน่ะขึ้นชื่อว่าพบชาติทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมีขึ้นแล้วก็ต้องมีความทุกข์ความทุกข์จะต้องปไปปรากฏในพบชาติต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการเกิดของคนของสัตว์เนี่ยคือกองทุกเกิดกองทุกปรากฏแต่พวกเราเวลาวันเกิดก็ชื่นอกชื่นใจดีออกดีใจ อ, อวยชัยให้พรซึ่งกันและกันแท้ที่จริงวันเกิดนั่นแหะเป็นวันกองทุกเกิด โอกาสที่เราจะทําให้เราเนี่ยพ้นจากทุกจากเวรจากภั ย, ยไปได้ไม่มีอื่นใดที่ไหนนอกจากบุญเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทําบุญอในวันเกิดเพื่อจะชดใช้ความทุกขกองทุกเกิดนั่นแหะวันเกิดคือวันกองทุกเกิดพอเกิดมาแล้วทุกยากลำบากแสนเข็ญต้องดูต้องเลี้ยงต้องหาอยู่หากินต้องดูแลต้องรักษาต้องขับต้องถ่ายสารพัดต้องทํามาหากินต้อง ผิดข้องมองใจต้องฆ่าต้องแกงกันสรรพัดความทุกข์ทั้งหลายต้องพวงเกิดขึ้นตามมาเป็นแถวทีเดียวแหละนี่ก็คือความเกิดความเกิดเป็นภัยความเกิดเป็นภัยสมัมจึงว่าเป็นภัยเพราะเกิดมาแล้วมันทุกข์ทุกข์ยากแสนเขียนลำบากเรารูที่ชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยนับตั้งแต่เกิดมาอายุหนึ่งปีสองปีสามปีสิบปียี่สิปีสามสิ 20, 3, 10, ปีทุกมาโดยลาดับ บางคนนี่เคยเจ็บใข้ได้ป่วยขั้นรุนแรงไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งกว่าจะมาถึงอายุ40ปี50ปี60ปี70ปีเนี่ยบางคนบางคนป่วยหนักๆใกล้จะเป็นใกล้จะตายทั้งหลายครั้งก็มีนี่คือกองทุกข์แล้วก็ทุกธรรมดาทุกดีใจทุกเสียใจทุกหนาวทุกร้อนทุกหิวกระหายทุกทรมาหากินทุกแก่งแย่งซึ่งกันและกันทุกผิดศีลทุกผิดธรรม ทุกผิดกฎหมายบ้านเมืองทุกสารพัด ท, ที่จะพึงได้รับนีความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เป็นความทุกข์ที่เข้ามาที่จิตใจของเราทีนี้ความทุกข์ที่ไม่ได้เข้ามาที่จิตใจของเราเป็นความทุกข์ที่บีบคั้นรู ป, ปรธรรมของเราก็คือความแก่พอเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่มีความแก่มากำกับอัตภาพร่างกายนั้นจะต้องแก่อ่ แก่ก็ตามไม่แก่ก็ตามร่างกายนั้นก็นจะต้องเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยทีนี้ตายแก่ก็ตายไม่แก่ก็ตายหมดอายุไขาตายไม่หมดอายุไขก็ตายได้แต่ก่อนตายนั้นจะต้องเจ็บเจ็บถึงปางตายถึงไรตายฆ่ากันตายยิงกันตายแทงกันตายผูกคอตายความตายมีสรารพัดที่จะเพิงเกิดขึ้นมีขึ้นในชีวิตในอัตภาพของเรา นี่คือความแก่เป็นทุกข์ยาที่ทุกข์ก็คือโรภคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนั่นแหละบางคนโรภคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนับตั้งแต่เด็กๆมากลางคนมาวัยชราโรภาคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ด, ดูเถอะดูนุ่นๆตุกค์คำน่ะนีะ่ต้องไปผ่าตัดต้องไปตัดนุ่นออกไปตัดนี่ออกไม่รู้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เนี่ยมีใครได้ไปเยี่ยมบ้าง นี่แหละคือความทุกข์คือของทุกตัวเองก็เจ็บไข้ได้ป่วยทุกตัวเองก็ต้องทนต้องทุกญาติครอบครัวก็ต้องทนต้องทุกต้องดูแลต้องรักษาญาติพี่น้องก็ต้องดูแลต้องรักษาเจ็บไข้ได้ป่วยคนเดียวนั่นแหละคนอื่นเนี่ยทุกไปหมดนอกจากตัวเองทุกแล้วคนอื่นก็ทุกไปด้วยนี่แหละคือทุกแก่ทุกเจ็บจากนั้นแล้วก็ตาย ผู้ที่ตายไปแล้วก็คือทุกจนตายทุกปางตายถึงตายความตายมาถึงนี่มันหมดโอกาสหมดหวังทุกสิ่งทุกอย่างเน่ยเคยมียศก็หมดยศเคยมีเกียรติก็หมดเกียรติเคยใช้ทรัพย์สมบัติอย่างสะดวสบายก็หมดโอกาสเคยมีชื่อมีเสียงเคยเที่ยวสนุกสนานเคยสําราญเรืองรอมอย่างใดก็หมดโอกาสทั้งนั้นแหละอืะ เคยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเคยเป็นเจ้าใหญ่นายโตก็หมดโอกาสแหละพอความตายมาถึงเข้าหมดโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคราวที่ชีวิตตกอับที่สุดต้องต้องทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้สลัดสลัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ทิ้งไปหมดไปเกิดเอาใหม่หมดยังไม่หมดพบยังไม่หมดชาติต้องไปเกิดเอาใหม่ กว่าจะเกิดเข้าไปเกิดในท้องแม่กว่าจะใหญ่ในท้องแม่กว่าจะคลอดออกมาจากท้องแม่กว่าจะใหญ่กว่าจะเดินได้กว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวกว่าจะมารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวรู้จกักศีลรู้จักธรรมเพื่อที่จะได้ประพฤติปฏิบัติโอยืดยาวเหลือเกินดูแต่เราเลี้ยงเด็กเนะ่ยเลี้ยงลูกนะแต่ละคนแต่ละคนกว่าจะเรียนจบเนี่ยมันต้อกี่ปียี่ปี21็ปี22ปียีบห้าปี ูในระยะนี้เราต้องดูแลทำอะไรอย่างต่อเนื่องโดยความอุตสาห์พยายามบางคนก็จบบางคนก็ไม่จบบางคนก็ได้งานทำบางคนก็ไม่ได้งานทำบางคนเรียนยังไม่จบตายก่อนก็มีบางคนบางคนตั้งใจจะเรียนให้จบแต่เรียนไม่จบมีอุปสรรคอย่างอื่นก็มีสารพัดที่มันจะเป็นความทุกข์คือกองทุกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านถือว่าเป็นภยัยท่านจึงให้เราพิจารณาเป็นประจำ เรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องเป็นผู้รับกรรมทำกรรมดีและกรรมชั่วทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามจกเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เพราะเรื่องของกรรมนั้นกรรมสโกมหิกรรมดายาโดกรรมยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณโนมีทำเป็นแดนเกิดมีทำเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นเผ่าพันจักทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจักเป็นผู้รับกรรมนั้นอันนี้เรื่องของกรรมท่านให้ท่านให้เมื่อเราพูดถึงกรรมเป็นเหตุให้เราย้อนมาที่ตัวเรา เพราะกรรมมันไม่ไปจากไหนมันไปจากกิริยากายของเราเป็นกายกรรมข้าสัตวริย์ทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมไปจากวาจาของเรามาจากพูดเท็จพูดยาพูดส่อเสียดพูดเพอเจอปิดไว้ก่อนโทรศัพท์นะั่นน่ะมันเตือนตั้งนานนั้นน่าจะปิดไว้แล้วแหละนะปิดไว้ปิดไว้ไวต่อไปจะต้องเขียนระเบียบมาติดไว้แล้วแหละบนสลาเนี่ยขึ้นมาบนนี้ปิดโทรศัพท์ เวลานี้เป็นเวลาที่เราฟังเทศฟังธรรมมีอะไรเราก็ปิดไว้ก่อนงดไว้ก่อนนั่นปิดไม่เป็นซะอีกอ น, นะนะอินั่นปิดสุก่อนก่อนขึ้นสลามาเห็นไหมไปไหวจันทร์เห็นไหมไป้ายบักใหญ่ตัวปิดโทรศัพท์ก็พูดไปแล้วเวลามีสิ่งเหล่านี้มามันก็สะดุดแล้ว อืท่านจึงให้พิจรารณาความแก่ความเจ็บความตายท่านให้พิจรารณาเพื่ออะไร <t> เพื่อไม่ให้เราประมาทเราโมเมาเมื่อเราไม่ประมาทเราไม่โมเมาเราจะได้พิจรารณากรรมของเรากายกรรมวจิจีกรรมมโนกรรมเมื่อเราพิจรารณาถึงกายกรรมวจิจีกรรมมโนกรรมแลรรม้วก็มาน้อมรับเอาโอ้กรรมแบบนี้เป็นเหตุให้เราได้รับความทุกข์ความยากความลําบากเราก็พยายามละพยายามงดพยายามเว้น กรรมอย่างนี้เป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อศีลเพื่อธรรมเป็นไปเพื่อสงบเยือกเย็นทั้งตัวเองทั้งครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขท่านก็ให้พิจรารณาถึงกรรมต่างๆเหล่านั้นเพื่อเป็นเหตุให้เราได้ยดึดได้ถือได้เป็นเป็นข้อปฏิบัติผลวิบากกรรมจากที่เราสร้างคุณงามความดีโดยการศึกษาทําด้วยการปฏิบัติทําด้วยการให้ศีลให้ทาน ก็จะทำให้เรามีสเบียงมีปัจจัยเป็นไปในวัฏฏะสงสารอย่างไม่ฝืดไม่เคืองท่านจึงให้เราพิจารณาเนืองๆเพื่อไม่ลืมตัวลืมตัวลืมตัวลืมเป็นลืมตายลืมสินลืมธรรมถ้าลืมตัวแล้วเพราะว่ามันประมาทลืมตัวแล้วมันประมาทท่านจึงให้พิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดความประมาททั้งหมดนี้เพื่อให้เราเอาไปพินิจพิจารณา เพราะพวกเราเนี่เดินเข้าไปข้างหน้ามีความตายรอดักอยู่ข้างหน้าด้วยกันทุกคนไม่ว่าเราไม่ว่าท่านเดินไปเดินไปเดินไปสักวันหนึ่งเราก็หมดโอกาสและหมดลมหายใจเราก็ตายแต่ก่อนจะตายนี่ต้องทุกข์ทรมานอย่างใดอย่างใดเราก็คาดไม่ได้คาดไม่ถึงอืนอนนอนอยู่กเหล่บฝันไปเลยสบายๆกับคอยยังชั่วนั่นแหละ เดี๋ยวอนุนมาเกาะอันนี้มาเกาะเบาหวานมาเกาะมาเร็งมาเกาะทุกทรมานแสนเข็นต้องหาเงินหาทองต้องหาหมดหาหมอเสียเงินเสียทองเป็นนี่เป็นศีลอูสารพัดแสนทุกข์สิ่งเหล่านี้ตามมาทำให้เราใช้เป็นเครื่องราพึงรำพันเพื่อไม่ให้เราเกิดความประมาทเพื่อไม่ให้เกิดความนิ่งนอนใจเพราะพวกเราทุกคนเป็นไม้ใกล้ฟังด้วยกันทุกคน ก็ว่าไม้ใกล้ฝั่งนั้นน่ะคือมันถูกน้ํากัดเซาะตะลิงทุกวันทุกเชา้าทุกเย็นทุกเชา้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นมันมันมันซาะเอาดินไปเนี่ยต้นไม้มันไม่มีดินกามันมีแต่รากพอเอาดินไปหมดแล้วมันก็ล้มคลืนเท่า น, นั้นเองพวกเราก็เช่นเดียวกันถูกถูกชราทิถูกชราพยาธิมรณะเนี่ยมันกัดมันเซาะอ คลื่นของชราพยาธิมรณะมันเสาะเช้าสเสาะเย็นเสาะเช้าสเสาะเย็นอมาเสาะเอาอายุไขของเราไปเนี่ยในที่สุดเราก็ ล, กล้มคลื่นวันนี้ท่านไปวันนี้คนนั้นไปวัน น, นีน้คนนี้ไปวันต่อต่อไปคนนั้นไปคนนี้ไปวันต่อต่อไปกรร็บเราไปเราเดินเราเดินเรียงคิวกันเข้าไปแล้วแหละอื ทุกคนมีทุกคนทุกคนมีวีซ่ามีวีซ่าที่จะเข้าไปสู่เมืองของพญายมด้วยกันเหมือนกันด้วยกันทุกคนเข้าเมืองพญายมวีซ่าเข้าเมืองพญายมคือพญามาจุราชเข้าเมืองพญามาจุราชวีซ่าประทับติดตราประทับติดตัว ประทับจิตกายประทับจิตใจมาด้วยกันทุกคนร่างกายเปลี่ยนแปลงไปคือตายแต่จิตใจไม่ตายจิตใจไม่ตายยังหมดยังไม่หมดเวทยังไม่หมดกรรมยังไม่หมดกรรมมมดิเลสตัณหาอาสะวะก็ต้องไปเกิดอีกจิตใจไม่แก่ก็จริงจิตใจไม่ตายก็จริงแต่จิตใจขึ้นขึ้ น, นลงๆตามอํานาจของกรรมอืถ้าบุญมากเขาก็เรียกว่าแก่บุญ ถ้าบาปมากเ้าก็เรียกว่าแก่บาปแก่บาปมันไม่ใช่บาปมันแก่ไม่เป็นถ้าเราจะน้อมมาว่าแก่อย่างนี้เราก็แก่ได้ร่างกายของเราใครทำบุญมากคนนั้นก็จิตใจขอ ง, ของคนนั้นก็แก่บุญใครทำบาปมากๆจิตใจของคนนั้นก็แก่บาปบุญให้ผลเป็นความสุขความเจริญความชุ่มเย็นในหัวใจแต่บาปนั้นให้ความทุกข์ยากความลาบากความเรือร้อนแสนเข็ญมันทุบร้อนยังไงพวกเรา ประสบแล้วพวกเราก็รู้แก่ใจด้วยกันทุกคนมันเหลืออดเลือทนจริงๆความทุกข์มาครอบงำจิตใจของเราเนี่ยบางคนถูกความทุกข์ครอบงําจนเป็นบ้าเหมือนอย่างนางปตายจาราเคยได้ฟังไหมนางปตายจาราเนี่ยผัวก็ตายลูกก็ตายในคราวเดียวกั น, นลูกสองคนก็ตายผัวก็ตายผัวถูกงูกัดตายลูก คนหนึ่งถูกเหยียวโฉบไปลูกอีกคนหนึ่งถูกน้ํากระแสน้ําพัดไปพ่อแม่พ่อแ ม, พอแม่พี่ชายถูกบ้านพังทับตายในคราวเดียวกันที่เกิดพายุนั่นแหะพราะทราบว่าพ่อแม่ตายที่แรกก็ผัวตายต่อมาก็ลูกสองคนตายต่อมาก็ทราบว่าพ่อตายแม่ตายแล้วก็พี่ชายตาย บ้านพังทับตายด้วยเหตุพายุฝนตกใหญ่พระหนําในคราวเดียวกันเนี่ยพอได้ยินว่าพ่อแม่ตายนั้นนะ่ะเป็นบ้าเลยเทีนี้เป็นบ้าหมดสติไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวเดินแก้ผ้าเนี่ยนางปตยาจารานี่ลูกเสียถีเนี่ยนี่คือความทุกข์ความทุกข์มันครอบงำหัวใจจนเป็นบ้าบางคนไม่บางคนเกินนั้นไปอีกน่ยความทุกข์ครอบงำหาทางออกไม่ได้ข่าตัวตาย ฆ่าตัวตายก็คือทำผิดอีกแล้วแหละความทุกข์แท้จริงมันไม่เกิดที่กายมันเกิดที่จิตเพราะจิตมันเครียดจิตคิดมากจิตว้าวุ่นขุนมัวด้วยปัญหาสารพัดมารุมเร้าในหัวจิตหัวใจแก้ไขไม่ได้ไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขได้ตัดสินใจด้วยการฆ่าตัวตายแท้จริงไปฆ่าตัวตายมันไม่ใช่เหตุทั้งนี้มันไม่ใช่เกิดที่กายมันเกิดที่จิตแต่ไปฆ่าตัวตายก็คือแก้ปัญหาผิดอีก เพราะฉะนั้นคนที่ฆ่าตัวตายท่านถือว่ามีบาปเพิ่มทำอัตตาวินิบาศอัตตาวินิบาศท่านถือว่าเป็นเป็นบาปเพิ่มร่างกายมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรจิตใจไปทำเสร็จแล้วก็ไม่ยอมรับแล้วเราก็ไปฆ่าไปฆ่าตัวตายเนี่ยแทนที่จะพ้นจากทุกข์เป็นการไปเพิ่มทุกข์เป็นการไปเพิ่มทุกข์นี่คือปัญหาสารพัดความทุกข์มารุมราหัวใจของเรา บางคนฆ่าตัวตายบางคนก็เป็นทุกข์จนเป็นบ้าแต่นางปตาจาราโชคดีไปเจอฝูงชนที่เขากำลังฟังเทศของพระพุทธเจ้านางก็ไปคิดว่าเขามีอะไรแจกพอได้มากินประทันแก้หิวนี่พอไปพอไปก็อยู่ในรัศมีของพระศาสดาก็เลยระลึกรู้สึกตัวระลึกรู้สึกตัวก็ค่อยขยับเข้าไปใกล้คนเขาก็โยนเสื้อผ้าให้ใส่ พระพุทธเจ้าก็เล่งกระแสเพ่งกระแสเมตตาไปนางก็รู้สึกเนื้อรู้สึกตัวก็ตั้งใจฟังธรรมตั้งใจฟังธรรมก็จิตใจก็เข้าถึงธรรมเมื่อเข้าถึงธรรมแล้วก็บวชบวชไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่นาวาเกิดในการรสมบัติพระพุทธเจ้าอย่างทรงกระโจนอยู่มีความทุกข์เบื้องต้นทรามกลางและอันไหนที่สุดก็ประสบความสุข ที่ท่านเรียกว่าบรมสุขบรมสุขอัตภาพร่างกายนั้นเป็นเหยื่อของโลกแต่จิตใจนั้นพ้นจากเหยื่อของภพของชาติไปแล้วกิเลสตามก่อภพก่อชาติให้อีกไม่ได้แล้วแหละเนี่ยถึงประมังสุขขังเนี่ยพวกเรามีโชคดีมีโอกาสขนาดนั้นพวกเราก็นะว่าบุญว่ากุศลมหาศาลนั่นแหละอม แต่ยุคสมัยนั้นเป็นยุคสมัยที่เป็นการสมบัติพระุตรเจ้าทรงพระชนอยู่สมัยปัจจุบันก็มีข้ออัดข้อธรรมสำหรับเรามาพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาชีวิตก็ยังมีสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่พระธรรมก็ตามพระวินัยก็ตามเป็นข้ออัดข้อธรรมที่มีไว้สาหรับแก้ปัญหาชีวิตจากชีวิตทุกยากลาบากแสนเข็นธรรมดาไปสู่ชีวิตที่ละเอียดสุขุม ปณีมีความสุขโดยลำดับขั้นไปจนถึงบรลมสุขสูงสุดนี่เป็นข้ออาจข้อธรรมเป็นเป็นระบบเป็นระเบียบเพื่อแก้กองทุกข์จากหัวใจของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาให้ดีแล้วเป็นสิ่งดีเลิศประเสริฐที่สุดที่เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นถ้าหากเราปล่อยให้หลุดไม้หลุดมือไปก็เป็นเหตุนหน้าเสียได้ เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วอน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดผ ล, ผลเกิดประโยชน์แก่ตนแก่ตนเราฟังเทศหลวงตาเนี่ยท่านมีแต่มุนเข้ามาแก่กัเรื่องภาวนาข้างในละเอียดละเอียดถ้าเราทําแล้วจิตใจละเอียดเข้าถึงฟังและเข้าใจโอ้รู้สึกว่าละเอียดท่านขยายละเอียดท่านพูดไปแง่มุมไหนท่านพูดละเอียดอื เกี่ยวกับเรื่องประพฤติเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องชําระเกี่ยวกับเรื่องขัดกลาวกิเลสตัณหาอาสวะภายในหัวใจของเราเราฟังบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าแทนที่เราจะฟังเรื่องโลกให้เราฟังเรื่องธรรมเพราะธรรมนี่มันนําผลมาให้ให้ความสุขให้ความชุ่มเย็นเพราะฉะนั้นเราพึงแสวงหาโอกาสควรทําโอกาสให้กับตัวเราเอง วันนี้ก็ต้องได้ไปช่วยดูกันแหละเนี่ยหมูหนึ่งน้องออเนี่ยเก็ยบยังไงไปเผายังไงไปอะไรยังไงไปดูลูกหลานก็เยอะลูกก็เยอะหลานก็เยอะหลานก็มากคนอายุมากลูกก็มากอีกทั้งหากหลานก็ต้องมากนอกจากหลานแล้วก็เลน้ยอีก มารู้เท่าไรต่อเท่าไรแหละเรียกมาช่วยกันโอ้ถ้าเราสามัคคีปลองดองเหมือนคนจีนเขาเนี่อ๊ยเขาทําได้เป็นระบบเป็นระเบียบได้ดีมากนี่คราวที่แล้วไปพ่อเจ๋งเนี่ยเจ๋งที่มันมาปิดทองให้เนี่ยทองพระเนี่ยพ่อพ่อมันเป็นมะเร็งพ่อเขาเป็นมะเร็งแล้วก็ตายคราวที่แล้วเราก็ได้ไปร่วมงานสามวัน รวมรวมไปแล้วไอ้ตั้งแต่เข้าวันามาเราเข้าไปกรุงเทพเราคราวนั้นสี่วันมาไปติดงานศพเขาต้องได้อยู่สามวันเข้าไปทุกวันเข้าไปทุกวันวันหนึ่งก็เข้าไปฟังสวดอภิธรรมวันที่สองอวันที่สองไปเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพสวดอภิธรรมไม่ใช่เป็นเจ้าภาพดอกไปขึ้นสวดเองสวดมธัธยกาคืนที่สอง ไปคืนที่สองไปคืนที่สามว่าไม่ใช่คืนที่สามไปวันที่สามไปเผาเขาทาพิธีดีมากตอนค่าทุกวันทุกวันเขาจะมีพิธีเคารพศพตามธรรมเนียมของคนจีนรู้สึกว่าเขามีพิธีรีตองดีมากทําเหมาะสมในการเคารพมีการเคารพมีการเคารพด้วยนุนเคารพด้วยนี้เคารพด้วยน้ําชาเคารพด้วยผลไม้เคารพด้วยอะไรก็แล้วแต่ มีพิธีเขามีคนพาธรรมมันเป็นการทำให้เกิดการระลึกถึงผู้ที่ล่วงรับไปเป็นการบอกให้ผู้ที่ล่วงรับไปมารับรู้รับทราบรั บ, รบเห็นว่าบุตรหลานอยู่ข้างหลังหมู่เพื่อนญาติพี่น้องสามัคคีปรองดองกันเขาทำทำดีมากนะทำทำดีมากมีการคา ร, รับศพทุกวันแขกที่ไปในงาน ก็มีแต่ระดับนายพลไปไปทุกวันทุกวันนายพลตำรวจนายพลทหารไปทุกวันก็แกทําประโยชน์แกช่วยพวกนี้มีชมรมมีอะไรแต่ออไรแกก็ช่วยเป็นโฆษกไปจําชมรมเนี่ยมีงานสังสรรค์ที่ไหนอะไรที่ไหนก็แกก็ไปเป็นโฆษกชมรมพอเวลาเจ้าของมีธุระมู่เพื่อนก็มาช่วยเตรียมไปหมด พระเราก็มีแต่พระป่าเราไปเต็มมีแต่ครูบาอาจารย์เราไปไปต้องเกือบยี่สิบละอ่ะทาทั้งๆที่นิมนต์ก็มีไม่นิมนต์ก็มีเพราะว่าเราเคยเกี่ยวข้องกันไปช่วยกันที่คราวที่แล้วเนี่ยเมื่อวันที่เทเลทตอนเข้าวรรษาใหม่ๆเนี่ยเป็นธรรมเนียมก็ทําเป็นธรรมเนียมดี ชาวบ้านเราก็ช่วยกันดีได้ยินในเกียรติว่าโมนหนึ่งเรานี่ช่วยกันดีนะช่วยกันดีแต่บางแห่งนี้ช่วยกันช่วยกันไปช่วยกันไปกิน <c oughs> <c oughs> บางแห่งนี้กว่าจะเสร็จงานนี่ลมวัวไม่รู้กี่ตัวอ่าบางทีเราไปไปเห็ น, นกองกระดูกโอยกองกระดูกวัวเห็นกระทะก็ต้มสาหรับต้มวัวเนี่ย เห็นก็ถากเห็ดก็ดูกองอยูอ่เสร็จแล้วเขามาคุยกันหมดวัวท่านั้นตัวหมดวัวท่านี้ตัวแท้จริงงานศพเนี่ยเราไม่ควรไปคิดที่จะไปกินอย่างนั้นแล้วไม่ควรที่จะไปจัดเลี้ยงกันล้มวัวล้มควายอย่างนั้นมันมันได้บุญไม่มากดอกได้บุญไม่พอที่จะแบ่งให้กับวัวเรื่องมันเนี่ยไดบุญไม่พอที่จะแบ่งให้กับวัว เราหาทำวิธีอย่างอื่นก็ได้พวกปลาพวกเนื้อพวกอะไรในตลาดมีเราไปเอามาไม่อดไม่อยากไม่จําเป็นจะต้องไปทําลายชีวิตเขาเพื่อเอาไปเลี้ยงกันในการทําบุญนี่เราพูดอย่างนี้สะท้อนถึงหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นท่านท่านท่านอาพาธอยู่ที่หนองผือเนี่ยเสร็จแล้วท่านให้ท่านให้ลูกศิษย์เอาไปท่านให้เอาท่านไปมรณภาพที่ วัดป่าสุทาวาสเพราะที่วัดป่าสุทาวาสมีตลาดท่านว่ามีตลาดถ้าท่านตายที่บันผือเนี่ยมันจะทําให้สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ที่บันผือเนี่ยตายตามท่านไปจํานวนมากเพราะที่บันผือไม่มีตลาดเพรดฉะนั้นเลยให้ลูกศิษย์หามไปสมัยแต่ก่อนจะมีอะไรรถลาอะไรก็ไม่ค่อยมีมีก็มีพวกรถไปจําทางหามไปหามข้ามป่าข้ามทุ่งข้าม นาข้าวข้ามอะไรทัร้งหลรยไปปูมันไปพักที่บ้านหลายบ้านกุดก่อมตั้งหลายวันพอวันสุดท้ายท่านเร่งให้เอาไปพอไปถึงวัดสุทาวาสพอไปถึงวัดสุทาวาสแบโอ้เวลาเท่าไหร่เนาะท่านมรณภาพก็ฉีดยาไปฉีดยาให้ท่านนอนหลับไปเพราะท่านท่านท่าน ท่านป่วยท่านป่วยรุนแรงนะท่านท่านป่วยมากแล้วเขาเลยฉีดยานอนหลับไปพอท่านไปถึงวัดสุทาวาสท่านก็เริ่มรู้สึกตัวเท่าไหร่เริ่มรู้สึกตัวเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นมาก็แสดงกิริยาถึงการละท่านละขันของท่านไป <c oughs> เวลาเท่าไหร่เวลาตีสองของวันที่สิบเอ็ดเดือนอะไรเนี่ยเออ เวลายี่สิบสาเวลาอะไรเวลาทีสองยี 2, 23, ่สิบสาอะไรเนี่ยไปมรณาภาพที่นู่นถ้ามรณาภาพที่บันผือน้องผือนี่ท่านว่าสัตว์ทั้งหลายจะตายตามท่านแต่ถ้าไ ป, ประนะมรณาภาพที่นู่นอ่ะที่นู่นมีตลาดอยู่แล้วนี่แหละคึกฤทธ์เขาเอาไปเขียนไปเขียนล่อเรียนไปเขียนล่อเรียนแล้วลงตาทั้งกรตอบ ตอบแล้วก็ลงในหนังสือประวัติหนังสือปฏิบิฐาหนังสือประวัติอยู่ท้ายๆเนี่ยมีใครไปจับหนังสือนี้มาดูจะมีปัญหาคึกวิธิ์นงตาั้องต่อไปนี่เราพูดถึงการทำการงานศพเนี่ยงานศพยิ่งเอาไว้นานมันก็ยิ่งสิ้นเปลืองมากเพราะต้องเลี้ยงแขกเลี้ยงคนเลี้ยงอะไรต่ไรและถ้าเพื่อถ้าเผื่อทแบบนี้เนี่ย ถ้าเกิดล้มวัววันละสองตัววันละสองตัวอยู่สามวันะกีต่ตัวบางคนไปกินอย่างนั้นจริงๆบางบ้านเอากินอย่างงั้นจริงๆนอกจากล้มวัวล้มควายแล้วก็เหล้านอกจากนั้นแล้วกลางคืนเนี่ยบอกให้โลเต็มไปหมดโอ้หน่าสงสารคนตายอ่ะหน่าสงสารคนตายแต่แถวนี้น่าจะไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เป็นใช่ไหมตู่เปลี่ยนบอเป็นบอแถวนี้ แน่นอนว่าได้บางเงือนก็เป็นบางเงื่อนก็บริเป็นอืมบางเรือนหน้าใหญ่หน่อยก็ทําได้เลยใช่ไหมอ๋อเรื่องสินเรื่องทำไม่ว่าแต่หน้าใหญ่หน่อยเลี้ยงแขกให้สมฐานะหน่อยลืมสินลืมทำละลืมไม่ได้เนี่ ลืมสินลืมทำแล้วก็ลืมตัวเองนั่นแหละลืมตัวเองแล้วก็ลืมสินลืมทำแหละเดินลงที่ต่ำนั่นแหละต้องรักต้องรักต้องสงวนประวัติคุณงามความดีของเราไว้ประวัติคุณงามความดีของเราจะมีอะไรเป็นเรื่องเด่นก็มีเรื่องสินเรื่องธรรมนั่นแหละเป็นเรื่องเด่นเรื่องอื่นไม่มีเรื่อ ง, องทำคุณงามความดีอย่างอื่นก็โน้มน้มเข้าเกี่ยวกับเรื่องสินเกี่ยวกับเรื่องธรรมหมด เรื่องคนงามความดีไปทําเกี่ยวกับคนนั้นเที่ยวทำเกี่ยวกับคนนี้มันเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องธรรมหมดวันนี้พอสมควรละสามท่มกว่าล ะ, ะไปกาบเลิกนะไปพักไปภาวนานะยังมีลมหายใจเป็นของเราอยู่ไปลําพึงรำพันไปนึกถึงคนตายเนี่ยโอ้ยคนตายหมดลมหายใจไปแล้วเนี่ยเราลองทําท่าจะหมดลมหายใจดูเป็นไง ทำท่าทเฉยๆนะอย่าไปเอาอิริ้ ด, ด้วยเราทำท่าจรระหมดเราหายใจดูมเป็นยางไงมันหายใจไม่ออกไม่ออก อ, oot, อ, อึดอัดอีริ้ดอให้พิจารณาพุทธเจ้พิจารณาความตายอม <resonance> าไปพวกเราก็กลับ